ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการปฏิบัติทมจิตภาวนา ในพัศการณ์นี้และก็เป็นวันเริ่มต้นที่จะมีการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งตน ขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษานี้ทุกๆปีก็ในมีภูมิศรัทธาเข้ามาอุปสมบท เป็นภิกษุศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากในวัดทั้งหลายทั่วไปและพันสาธุชนทั้งหลาย ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษเช่นตั้งใจสมาทานศีลห้าศีลแปดหรือตั้งใจงดเว้น บยมุขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตลอดจนถึงตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเป็นพิเศษก็มีเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าจะดูเข้าพรรษาเป็นการปฏิบัติธรรมะกันเป็นพิเศษความเจริญแห่งธรรมปฏิบัติงอกงาม เหมือนอย่างต้นไม้ทั้งหลายที่ได้รับน้ำฝนในฤดูฝนคือฤดูเข้าบรรษานี้แตกกิ่งใบเขียวสดกันทั่วไปฉะนั้น ยึนขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและในกุศลสมาทานของทุกๆ ท, ท่านในที่นี้ เป็นสถานที่อบรมจิตภาวนาหรืออบรมกรรมฐานทั้งสองคำนี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน จิตภาวนาแปลว่าการอบรมจิตให้ได้สมาธิและได้ปัญญาในธรรม กรรมาฐานนั่นก็แปลว่าตั้งการงานคือตั้งการปฏิบัติให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาเช่นเดียวกัน จึงแบ่งกรรมฐานเป็นสองได้แก่สมถกรรมฐานตั้งการงานคือปฏิบัติทมจิตให้สงบด้วยวิธีปฏิบัติทางสมาธิ คำว่าสมถะแปล ว, ว่าสงบคำว่าสมาธิแปล ว, ว่าตั้งมั่นในทางที่ชอบมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันสมาธิคือตั้งจิตในทางที่ชอบก็คือตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐาน เพื่อสงบระ ง, งับนิวรจิตจึงสงบจากนิวรณ์มีปัตสนากรรมฐานกรรมฐานคือทรรมให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริง ก็เป็นตัวปัญญาคือความรู้เข้าถึงธรรมนั่นเองกรรมฐานจึงมีสองสมถกรรมฐานมิปตสนากรรมฐานอิตภาวนาก็มีสองเช่นเดียวกัน ก็คืออบรมกิจให้สงบตั้งมั่นก็เป็นสมถาะาเป็นสมาธินั่นเองอบรมกิจให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในธรรมก็เป็นตัวปัญญานั่นเองปฏิบัติธรรมกิจภาวนา หรือปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงเป็นอย่างเดียวกันและบางทีก็มักจะชอบเรียกกันว่าทรมิปัตสนาบางทีก็ชอบเรียกกันว่าทมสมาธิ ปฏิบัติกันทั้งสองอย่างนั้นแหละคือทั้งทรรมสมาธิและท ร, ร ม, มิปัสนาแต่ว่าบางทีมักจะเรียกกันว่าท ร, ร ม, มิปัสสนานั้นก็โดยที่ ได้มีแสดงธุระคือข้อที่จะพึงปฏิบัติไว้สองอย่างคือคันธุระและวิปัสนาธุระ พันธุระทุระคือการเรียนพระคำพีอันได้แก่การเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่ มีการเล่าเรียนตามหลักสูตรของนักธรรมบาลีหรือแม้ว่าการมาฟังธรรมบัญญญานี้ตัวชื่อว่าเป็นคันธาธุระคือการเล่าเรียนพระคำพีเช่นเดียวกัน เพราะว่าการแสดงธรรมบรรยายก็แสดงไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เดิมผู้ฟังจำกันมาและต่อมาก็จะรึกลงเป็นดูอักษรใ น, นในใบาลาน เป็นต้นตลอดจนถึงมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือดังที่ได้ใช้อ่านเล่าเรียนกันอยู่แต่แม้เช่นนั้นก็จะต้องมีอาจารย์เป็นผู้บรรยายแสดงอธิบายประกอบอีกด้วย การเล่าเรียนจริงใช้ตาใช้หูเดิมก็ใช้หูเป็นส่วนใหญ่ในบรนี้ก็ใช้ทั้งหูทั้งตาหูฟังตาอ่านก็เป็นคันถะทุระทุระคือการเรียนพระคำพีวิปัสนาวิปัสนาธุระนั้น ก็คือการปฏิบัติทำจิตภาวนาหรือทำกรรมฐานนั่นเองซึ่งก็มีทั้งฝ่ายสมถะทั้งฝ่ายวิปัสสนาทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายปัญญาแต่ว่ายกอวิปัสสนาเป็นประธาน เพราะว่าวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นจึงจะกำจัดกิเลสในเด็ดขาดเป็นเหตุละกิเลสได้เป็นอย่างดีลำพังสมาธิหรือสมถะนั้น ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดแต่แม้เช่นนั้นจะได้ปัญญาก็จะต้องมีสมาธิเป็นบาทคือเป็นเท้า ให้บรรลุถึงความสำเร็จเหมือนอย่างที่คนจะไปไหนก็ต้องมีเท้าสำหรับที่จะเดินไปให้ถึงสมาธิก็เป็นบาดอันจะนำให้เกิดปัญญาและเมื่อเกิดปัญญายังจะเห็นธรรม ปัญญาที่เห็นธรรมนี้เองเป็นตัวปัญญาที่เป็นส่วนผลหรือเป็นตัวญาณคือความอย่างรู้อันเกิดมาจากการปฏิบัติทางวิปัสสนาโดยที่จะต้องมีสมาธิเป็นบาท ฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อยังยกเอาแต่วิปัสสนาเพียงอย่างเดียวเรียกว่าวิปัสสนาธุระซึ่งก็จะต้องประกอบด้วยสมถธุระรวมอยู่ด้วยอันหนึง่งตามที่กล่าวมานี้ ไม่ได้กล่าวถึงศีลอาจจะทำให้มีความเข้าใจว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นศีลไม่สำคัญแต่ว่าอันที่จริงนั่น จะต้องมีศีลประกอบอยู่ด้วยศีลได้มีพระพุทธภารรษิตรัสเรียบไว้ว่าเหมือนอย่างพื้นดินสำหรับเป็นที่ยืน เดินนั่งนอนหรือเป็นที่สถิตเป็นที่ตั้งของทุกๆอย่างตามขอ้อนี้จะเห็นได้ว่าศีลสำคัญถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีพื้นสำหรับที่จะ ตั้งขึ้นยืนขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมทั้งสมาธิและปัญญาหรือสมถะวิปัสนาอันรวมเรียกว่าจิตภาวนาหรือกรรมฐานดังที่กล่าวนั้นต่อเมื่อมีศีล อุสน ล, ละธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นในตรายสิกขาจึงได้แสดงศีลไม่เป็นอันดับที่หนึ่ง คือสีและสิกขาต่อขึ้นไปก็เป็นจิตและสิกขาอันหมายถึงสมาธิและต่อขึ้นไปก็เป็นปัญญาสิกขาฉะนั้นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนา จึงรวมเข้าในศิกขาสามนี้หรือว่าเรียกอย่างสามัญว่าศีลสมาธิปัญญาอันคำว่าสิกขานั้นเป็นภาษาบาลีตรงกับคำวาศึกษาที่ไทยเรานำมาใช้ จากคำสังสกฤตว่าศึกษามาเป็นศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาจารึกพระพุทธวจนะใช้คำว่าศิกษาซึ่งเป็นคำเดียวกันซึ่งมีความหมายตั้งแต่การเรียนให้รู้ อันเป็นการเล่าเรียนหรือเรียกว่าปริยัติตลอดจนถึงปฏิบัติทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือความที่ตั้งใจสำเนีกฟังอ่าน ทรงจำพิจารณาให้เข้าใจอันเป็นการเล่าเรียนแล้วคนนำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นรวมทั้งเรียนทั้งปฏิบัติ เป็นศึกษาหรือศึกขาฉะนั้นที่จะพึงทำในพุทธศาสนานั้นจึงต้องศึกษาในศีลเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติศีลให้มีขึ้น ดังที่ได้สมาทานศีลห้าศีลแปดหรือได้เข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุหรือเพียงบรรพชาเป็นสมนเณนีก็มีวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จะพึงปฏิบัติ ถ้าเป็นศีลห้าศีลแปดก็ห้าข้อแปดข้อถ้าเป็นภิกษุสมมเนรก็มากขึ้นตามที่ทรงบัญญัติไว้เป็นสิบข้อเป็นสองอยยี่สิบเ็ดข้อเป็นต้นการที่มาตั้งใจปฏิบัติวินัยทั้งครือหัดทั้ง บ, บรรญชิตดังนี้ เรียกว่าเป็นศีลเพราะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติศีลในขั้นต้นนั้นก็ปรากฏทางกายทางวาจาซึ่งเว้นได้ จากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและกระทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตปรากฏทางกายทางวาจาแต่ว่าศีลที่บริสุทธิ์จะต้องถึงจิตใจ คือจิตใจต้องเป็นศีลจิตใจต้องมีความปกติมีความสงบอันเริ่มมาจากการตั้งใจงดเว้นตามพระวินัยบัญญัติตั้งใจปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ ว, ว่าความตั้งใจนี้มีเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่มีกำลังของศรัทธาปัญญาเป็นต้นแรงความตั้งใจก็แน่วแน่ ทำให้กับการปฏิบัติทางกายทางวาจาก็ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกําลังของศรัทธาปัญญาอ่อนความตั้งใจก็รุนเรเมื่อความตั้งใจรุนเรก็ทําให้ การปฏิบัติทางวาจาลุนเร่ทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดต่างๆ <c oughs> เป็นการละเมิดศีลมากรืนน้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจิตใจนี้มีพระพุทธภาสิทธรัดไว้ว่าดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระสายรักษายากหามยากดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระสายนั้นก็คือดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระสาย ไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนณะคือใจเองอยู่ตลอดเวลาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านเข้ามาสู่จิตใจนี่ บางอย่างก็เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจอ่ อ, อน เหล่านี้มีกำลังแรงก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเป็นดังนี้หากระ ง, งับใจไว้ไม่อยู่ก็ทำให้ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาเป็นการผิดศีลน้อยบ้างมากบ้างศีลก็ไม่บริสุทธิ์ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกวิจตภาวนาข้อแรกเป็นการปลูกสติให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจตั้งต้นแต่การที่ ผัดทำสติสำหรับรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเมื่อได้รับอารมณ์อะไรก็ทำสติความลึกได้ รักษาใจอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่กำลังรับนี้จะยั่วให้เกิดราคะบ้างยั่วให้เกิดโทสะบ้างยั่วให้เกิดโมหะบ้างระวังจะรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงใจ มีสติคอยเตือนใจรักษาใจท่านยังเปรียบเหมือนอย่างว่ามีนายทวารบานคือนในประตูรักษาประตูทั้งหก